ธรรมะบรรยายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำวันนี้ก่อนที่จะรับฟังธรรมะบรรยายอัตมาก็นำเอาบทประพันธ์คติพจน์ของหลวงพอ่อวัดปากน้ำมาสู่ท่านสาธุชนรักกร่างพอสัางร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลอิศล่วงกุศลใดอื่น เชิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่าเรื่องสะกลสําหรับวันนี้อาตมาจะได้นําธรรมบัรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลมาฝากท่านสาธุชนซึ่งหลวงพ่อท่านได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้หลวงพ่อท่าน ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับธรรมสุสันติจึงขอกราบราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนด้วยครับกระผมท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านต่อข้อถามที่ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ย ช่วยพัฒนาอย่างไรหรืออีกในหนึ่งก็ว่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตทำชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรสำหรับในปัญหาข้อนี้นั่นนะก่อนอื่ น, นใครจะขอเจริญพรเพื่อทราบซะก่อนว่าคำว่าการปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงความประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณความดี ทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นการละความชั่วหรือที่เป็นบาปอากุศลและก็การทำใจให้ผ่องใสนี่รวมเรียกว่าการปฏิบัติธรรมซึ่งจะกล่าวโดยย่อก็หมายเอาการรักษาศีลการเจริญภาวนาสมาธิแล้วก็ การเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาทีนี้วันนี้เราจะเน้นกันถึงเรื่องการเจริญภาวนาสมาธิซึ่งมีศีลเป็นบาทเป็นบาทคือเป็นพื้นฐานของความประพฤติปฏิบัติดีทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษเพื่อจะให้ใจสามารถที่จะอบรมให้สงบ ได้ดีได้ง่ายเขาแล้วก็ฝึกเจริญภาวนาธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาหรืออีกในหนึ่งการทำใจให้สงบจากกิเลสเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมที่เป็นคุณที่เป็นโทษ ที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันทิสุขแล้วก็หลีกเลี่ยงทางดำเนินชีวิตไปสู่โทษหรือความทุกข์เดือดร้อนต่างๆทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นจักขอเน้น ในหัวข้อการปฏิบัติธรรมนี้ว่าเราจะกล่าวเน้นกันในหัวข้อของการเจริญภาวนาสมาธิซึ่งมีความหมายหรือแปลว่าอุบายสงบใจความจริงสำหรับบุคคลที่จะมีจิตใจเป็นสมาธินั้นมีได้เป็นได้ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งนั้น บางคนเป็นเองโดยธรรมชาติคือเมื่อพอรู้ความจิตใจก็จะสามารถทำให้สงบระงับหรือเป็นสมาธิแน่วแน่ได้โดยง่ายโดยที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอบรมจากที่ใดนั่นอย่างหนึ่งนี่ก็เพราะบุญเก่าของเขาที่เขาเคยอบรมสร้างสมมาไว้มาเป็นผลในปัจจุบัน อีกประการหนึ่งก็โดยการเข้าไปศึกษาอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิให้ถูกวิธีนี่เป็นเรื่องสำคัญให้ถูกวิธีเนี่ยตามแนวทางประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นคือว่าการอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง เพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาเครื่องรู้ในบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่สาระประโยชน์เพื่อให้สามารถมีสติสัมชัญญะคือความรู้สึกตัวพร้อมก่อนและขณะคิดพูดทม ให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปในทางเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี้เป็นการเจริญภาวนาสมาธิตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างนี้ท่นี้เมื่อมากล่าวถึงว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร เราก็มาพิจารณาว่าสำหรับบุคคลที่มีจิตใจที่ไม่เป็นสมาธิจะโดยว่าไม่เคยได้รับการอบรมมาก็ดีหรืออบรมแต่ยังไม่ได้ผลก็ดีอย่างนี้หรือได้ผลบ้างแต่ว่าไม่ถูกต้องตามวิธีการทางพระพุทธศาสนาคือไม่เป็นไปในแนวทางที่ให้เกิด สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่สาระประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีจิตใจที่เป็นสมาธิได้โดยง่ายดังกล่าวนั้นจิตใจมีสภาวะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เห็นว่าการเจริญภาวนาสมาธิโดยการอบรมถ้าเผื่อใครยังไม่มีสมาธิที่ดีเพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาเหล่านี้จะได้ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้วจะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่มีโทษเพราะขณะนี้ก็มีทํานองมีข่าวอยู่เหมือนกันว่าบางคนไปฝึกเจริญภาวนาสมาธิแทนที่จะ กำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็แทนที่จะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอ่นเห็นชอบก็กลับผิดแนวทางไปและก็มีผลร้ายได้เหมือนกันทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าคนไม่มีจิตใจเป็นสมาธินั้นนะ่ะมีกิเลสที่ว่าเครื่องกั้นปัญญาอย่างไรประการแรกที่เราจะเคยเห็นเสมอๆเชียว ก็คือว่ามักเป็นผู้ฟุง้งซ่านจิตใจน่้ไม่ค่อยสงบละไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวละเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาลืมตาขึ้นมานั้นใจมันออกไปนอกตัวอยู่เรื่อยไปยึดไปเกาะกับสิ่งภายนอกถ้าเผื่อสิ่งภายนอกนั้นชอบใจก็หลงรักหลงยึดหลงติดไม่ชอบใจก็หลงเกลียดชัง ไปต่างๆนานานี่คือโทษของความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจแต่นี่คนที่มีจิตใจอันฟุ้งซ่านอยู่เสมอสุขภาพจิตไม่ดีนะที่ว่าสุขภาพจิตไม่ดีอย่างไรแรกๆก็ไม่ค่อยเห็นปัญหาเท่าไหร่ต่อเมื่อมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแล้วคิดแก้ไขไม่ตกเพราะคนมีจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ย สติปัญญาไม่แจ่มแจ้งเพราะความฟุ้งซ่านนั้นทําให้ไม่สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปในปัญหาที่ตนมีทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ลึกเท่าไหร่แต่ก็ทําไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตตนเองไม่ได้ยิ่งฟุ้งซ่านหนักไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องแบกภาระหน้าที่การงานสูงๆผู้ใหญ่เรานี่แหละ เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะอบรมจิตใจให้สงบระงับฝึกฝนอยู่บ่อยๆเนืองๆให้สามารถสงบระงับได้โดยง่ายแล้วก็ปัญหาของกิจการงานก็ดีที่หนักที่มีภาระหนักที่มีปัญหามากจะต้องพิจารณาแก้ไขมากก็แก้ไขไม่ค่อยได้ผลเมื่อแก้ไขไม่ได้ผลเกิดความวิตกกังวลมากฟุ้งซ่านมากนอนไม่หลับ อันนี้นําไปสู่ความเป็นโรคประสาทและก็โรคจิตได้นี่อย่างนี้เป็นด้วยสําคัญเพราะฉะนั้นนี่โทษของจิตใจที่ฟุง้งซ่านแล้วก็มีเป็นอันมากอาตมาเชื่อแน่ว่าญาติโยมสาธุชนเมื่อฟังแล้วคงจะเข้าใจดีว่าเรื่องความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจนั้นทําลายสุขภาพจิตอย่างมากแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้เพราะฉะนั้น เมื่อมาพิจารณาถึงปัญหาข้อนี้แล้วก็เราลองมาดูกลับกันถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่มีสมาธิดีเป็นทุนเดิมแล้วปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าได้มาอบรมบ่มนิสัยจิตใจให้รู้จักสงบระงับโดยวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถที่จะสงบระงับได้โดยง่ายเมื่อสงบระงับได้โดยง่ายนี่มีผลดีนะประการแรกนอนหลับสบาย เมื่อ น, อนอนหลับสบายสุขภาพจิตก็ดีเมื่อสุขภาพจิตดีและนอนหลับสบายแล้ววิจารณญาณในการพิจารณาปัญหาต่างๆอย่างนักเรียนก็พิจารณาปัญหาในห้องเรียนหรือที่ร่ำเรียนมาผู้ใหญ่ก็พิจารณาปัญหาในการทำงานในการบริหาราต่างๆก็สามารถกระทำได้แจ่มแจ้ ง, แ, จงและสามารถวินิจฉัยปัญหานั้น และหาวิธีแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องโดยเจียบคมนะเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นผู้ที่มีผลงานที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงทีนี้เมื่อบุคคลเราเนี่ยสามารถพิจารณาปัญหาแก้ปัญหาได้ดีมีความทรงจำดีผลการปฏิบัติงานทั้งปริมาณและคุณภาพก็ดีก็ยิ่งทำให้เป็นคนมีกำลังใจสูงคุณภาพชีวิตก็ย่อมดีขึ้น ไอ้ น, นี้เป็นของธรรมดาที่สุดนะสำหรับข้อฟุ้งซ่านข้อเดียวทีนี้มาถึงปัญหาข้ออื่นอื่นอีกบ้างเราลองมาดูาดว่ากิเลสเครื่องกั้นปัญญามันมีอย่างอื่นอีกเยอะที่จะออนามากล่าวแต่ว่าเวลาเรามีน้อยก็จะเลือกกล่าวเอาเฉพาะที่สาคัญสาคัญอย่างเช่นบางคนชอบเป็นคนหนุดหิดเจ้าอารมณ์เจ้าพยาบาท ขาดความสุขุมรอบครอบมักเป็นคนประมาทขาดสติสมรชัญญะรู้ทางเจริญทางเสื่อมจิตใจวู้่นวามท่านนึกดูสิว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตยอย่างไรมีมีความสบายแค่ไหนอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยเจ้าตัวก็ไม่สบายคนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ใจร้อนวู่วามเนี่ยเฉพาะตัวก็ไม่สบายคนใกล้เคียงก็ไม่สบายในครอบครัวในวงงานก็ไม่สบายเป็นเจ้านายคนก็เกลียด เพราะว่าหงุดหงิดเป็นลูกน้องก็เจ้านายก็ไม่รักนี่เป็นของธรรมดาเป็นเด็กวู่วามขาดสติสมัมชัญญะอ้าวต่อไปก็มีโทษอย่างเช่นพวกขับรถซิ่งเป็นต้นเหล่านี้ก็มีผลมาจากจิตใจที่ฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิดวู่วามอารมณ์ร้อนก็เป็นคนประมาทขาดสติสมัมชัญญะเสียคนไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทํางานใหญ่ๆนะถ้าเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หงุดหงิดวู้่นวามแล้วก็ งานใหญ่ๆที่ต้องแบกภาระมากๆหรือมีผลมากๆอาจจะเสียหายอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทําหน้าที่บริหารกิจการงานในระดับชาติอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็เราก็มาดูอุบายสงบใจจากกิเลสนิวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ, เครื่องกั้นปัญญาว่าทําให้เป็นบุคคลที่เยือกเย็น สุขุมรอบคอบไม่วู่วามเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็สามารถที่จะมีสติสมัชัญญะและปัญญารู้ทางเจริญควรดาเนินรู้ทางเสื่อมไม่ควรดาเนินดีได้ด้วยตัวของตนเองแล้วก็เมื่อสุขภาพจิต ด, ดีก็พลอยให้สุขภาพกายนี้ดีขึ้นด้วยผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดก็ไม่ต้องพลอยเดือดร้อนเพราะเราเป็นเหตุ ตลอดทั้งครอบครัวสังคมและประเทศชาติก็จะพลอยได้รับผลดีเป็นความสันติสุขและร่มเย็นด้วยกายวาจาใจที่สงบของผู้ที่มีจิตใจเป็นสมาธิอันมีผลให้เป็นผู้มีความสุขขุมรอบคอมีสติสัมปชัญญะที่ดีด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี่ก็ย่อมช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั่น ดีขึ้นและได้ผลดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วอาตมาใครเจริญพรเพื่อทราบว่ารายการต่อไปนั้นอาตมาจะได้แนะนำวิธีการเจริญภาวนาสมาธิที่ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้สามารถอบรมจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านนั้นให้สงบระงับได้ดีได้ผลเร็วอานเจริญภาวนาสมาธิ เพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญานั้นนะ่ะคืออย่างไรคำว่าคืออย่างไรนี่หมายเอาว่าทาอย่างไรในประการหนึ่งแล้วจะมีผลให้สามารถกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาที่ภาษาพระทันเรกนิวรกิเลสหรือนิวรณนูปะกิเลสอันนี้ก็เป็นคำพระที่ว่ากิเลสนิวรที่อยู่ใกล้ตัวเรา ซึ่งเป็นเครื่องกั้นปัญญาทีนี้ก่อนที่จะกล่าวไปถึงวิธีการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรขอเจริญพรให้ทราบสักนิดว่ากิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาหรือกิเลสอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างประการสำคัญที่สุดก็คือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจไม่สามารถจะสงบระงับอยู่ในอารมณ์เดียวหรือจุดเดียวได้โดยง่าย นั่นแหละมักจะฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องต่างๆนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจิตใจที่มีลักษณะเป็นคนขี้ลังเลสงสัยว่าเออทำอย่างไรมันถึงจะถูกถึงจะผิดทำอย่างไรจะดีหรือไม่ดีเป็นคนขี้สงสัยต่างๆนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้ที่มักมีจิตใจง่วงซึมหงอยเหงาไม่กระปรีก้กระเปร่า ไม่โปรง่งไม่เบานี่ก็จัดการจัดว่าเป็นกิเลสเครื่องการปัญญาอีกอย่างหนึง่งอีกประการหนึ่งก็คือความหงุดหงิดความโกรธพยาบาทหรือเรียกว่าเป็นผู้มีอารมณ์ร้อนถ้าพูดภาษาง่ายๆอย่างนั้นก็แปลว่าความหงุดหงิดความโกรธความพยาบาททำให้เป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะไม่มีความสุขขุมรอบคอบเป็นคนผู้วามเหล่านี้เป็นต้น แล้วอีกประการหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มักเป็นผู้มีตัณหาราคะเห็นเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัวจัดนิตัณหาราคะนี่ภาษาพระท่านครอบคลุมกว้างไปถึงความยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายซึ่งจะกล่าวโดยย่ออีกครั้งหนึ่งกิเลสนิวร์ก็คือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจ ความลังเลสงสัยความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระปรีก้กระเปร่าแห่งจิตความหงุดหงิดโกรธพยาบาทและความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายอันรวมเรียกว่ากามชันทะในห้าประการนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วจิตใจก็จะขุนมัวไม่ผ่องใสการจะวินิจพิจารณาในปัญหาใดๆ โดยแยกขายนั้นทำไม่ได้หรือทำได้ด้วยยากเพราะจิตใจนั้นขุนมัวไปด้วยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ อ, อ, อุปมาดังว่าน้ำที่คุณเราไม่สามารถจะเห็นสิ่งที่เล็กเล็กน้อยน้อยที่ละเอียดอยู่ภายในน้ำนั้นได้ฉันใดจิตใจที่ขุนมัวด้วยกิเลสก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นปัญหาวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อจะหาแนวทางแก้ปัญหา ให้ได้ผลดีให้ถูกต้องได้เช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์สำคัญในการอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิก็เพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาเหล่านี้และที่นี้โดยธรรมชาติของจิตใจนั้นเมื่อมีกิเลสเครื่องกั้นปัญญาเหล่านี้ถ้าหากสามารถอบรมจิตใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เป็นอารมณ์เดียวและมีคุณภาพที่ภาษาพระท่านเรียกว่าวิตกวิจาร์แต่ภาษาธรรมดาคือสามารถที่จะนึกเห็นตรึกตรองประคองนิมิตคือสิ่งที่ให้เห็นด้วยใจได้อันนี้สามารถที่จะกำจัดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่าได้ผลดีเพียงใดนี้ได้เลยนี่ประการที่หนึ่งและสามารถทาให้จิตใจสว่างสวัย ปลอดโปรง่งไม่ง่วงไม่ซึมได้และเมื่อทวใจสงบลงไปยิ่งขึ้นโดยที่ว่าใจที่สงบลงไปนั้นจะต้องมีความคือจะจะมีคุณสมบัติที่ปรากฏขึ้นเรียกว่าปีตินะเมื่อใจมันสงบลงไปเนี่ยมันจะสบายใจเมื่อสบายใจมันเกิดปีติยินดีแล้วก็จะสุขใจถ้าหากว่าใจนั้นสงบยิ่งขึ้น คุณภาพของใจที่จเจริญขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้สามารถที่จะช่วยกำจัดกิเลสนิวรได้อีกสองประเภทคือความาพยาบาทงุดหงิดเนี่ยหายไปเพราะว่าใจไปเสพความสุขจากจิตใจที่สงบระงับละเอียดเนียนได้และความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะหมดไปและเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวยิ่งขึ้นความยินดีพอใจในกามคุณ ทั้งหดังที่เคยกล่าวมาแล้วนั้นก็สงบระงรับไปได้สรุปความภาษาพระท่านว่าถ้ายกอบรมจิตใจยกอารมณ์ขึ้นสู่อารมณ์วิตกวิจาร์ตึกตรองประคองนิมิตให้เกิดอารมณ์ปิติอารมณ์สุขเอกะกัตตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งได้แล้วเป็นอันว่ากิเลสนิวรทั้ง5้าที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นอันสงบระงรับหรือหมดไปด้วยอารมณ์แห่งฌานนี้นี้คืออารมณ์แห่งฌาน นะคือจิตที่เป็นสมาธิเป็นแน่วแน่มั่นคงแล้วเกิดอารมณ์ที่ดีฝ่ายดีมากำจัดอารมณ์ที่เป็นกิเลสฝ่ายชั่วอันนี้จัดว่าเป็นสมาธิในระดับฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะเอาทีนี้ามาดูเรื่องอย่างนี้แล้วเราทำยังไงถึงจะสามารถสร้างอารมณ์ของเราหรือยกระดับจิตใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นสู่อารมณ์ดังกล่าวได้ ในทางปฏิบัตินี้ก็มีวิธีปฏิบัติง่ายๆนะว่าเรามีหลักที่สำคัญอยู่สามประการนะประการที่หนึ่งก็คือว่าเราจะให้ใจไปสงบระงับที่ไหนถึงจะได้ผลดีก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าใจไปสงบระงับ ตรงศูนย์กลางกายอันเป็นที่ตั้งกําเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วจะมีผลดีหลายประการซึ่งอันนี้จะได้กล่าวในภายหลังเพื่อไม่ให้เสียเวลาในคราวนี้ข้อที่สองการที่ใจจะได้รับการอบรมให้สงบระงับได้นั้นมีวิธีหรืออุบายวิธีที่ดีสองประการคือประการแรกก็เรียกว่า กำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตเนี่ยนิมิตเนี่ยบริกรรมนิมิตเนี่ยคือนึกให้เห็นด้วยใจนะนึกให้เห็นด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ณที่นี้จะให้ได้ผลดีที่สุดก็นึกให้เห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสจะมีผลดีอย่างไรมีเรื่องราวยืดยาวที่จะพูดกันแต่วันนี้เอาง่ายๆว่านึกให้เห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสตรงศูนย์กลางกายนี่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้วก็ให้ใจอยู่ในกลางจุดเล็กใสนั่นที่ศูนย์กลางดวงแก้วตรงศูนย์กลางกายนั้นอีกทีหนึง่งศูนย์กลางกายที่ว่านล่ะเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือนะทีนี้การที่บอกว่านึกให้เห็นด้วยใจนึกยังไงก็วาดมนุภาพนั่นแหละเหมือนกับเรานั่งหลับตาอยู่เรานึกให้เห็นใครที่ไหนหรือเห็นสปปรรพสิ่งใดที่ไหนนั่นแหละนึกให้เห็นด้วยใจอย่างนั้นแต่นี้เราให้นึกให้เห็น เป็นดวงแก้วกลมใสด้วยใจทุกคนลองฝึกดูนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิธรรมดาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาโจทย์พอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกาให้ตรงแล้วก็หายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตาลสบายแล้วก็หลับตาลงเบาๆอย่ามึนปลืดตาให้แน่น ในขณะที่เราหายใจลึกๆพอสบายนั้นเรานึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏขึ้นในท้องของเราทีเดียวนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตนึกให้เห็นด้วยใจเหมือนในท้องของเรามีดวงแก้วอยู่ดวงหนึ่งโตพอสมควรเท่าที่นึกได้ประมาณเท่าลูกบินเลียต ก, ก็ได้เท่าลูกบิงปองก็ได้นึกเอาเถอะขนาดไหนก็ได้ทั้งนั้นะนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏอยู่ในท้องตรง ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมืออันเป็นที่ตั้งกำเนิดาธาตุทำเดิมจุดตรงนี้ถ้าเผื่อใครหาไม่เจอให้นึกอย่างนี้ในขณะหลับตาอยู่นึกให้เห็นเส้นตรงสองเส้นตัดกันเส้นหนึ่งจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือไปจดข้างหลังขาวใสเสียเดียวเหนือระดับสะดือสองนิ้วมืออีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจดกึ่งกลางสีข้างซ้าย จุดตัดกันของเส้นตรงสองเส้นอยู่ตรงศูนย์กลางกายพอดีแล้วก็อยู่ตรงกลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกพอดีท่านนึกให้เห็นดวงแก้วปรากฏขึ้นตรงนั้นหายใจเข้าก็ผ่านดวงแก้วหายใจออกก็ผ่านดวงแก้วแล้วก็ให้ใจอยู่ที่ศูนย์กลางดวงแก้วโดยการนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางแก้วศูนย์กลางดวงแก้วเป็นสาคัญนึกให้เห็นจุดเล็กใสด้วยใจ ให้ใจหยุดตรงนั้นเพราะใจเนี่ยไม่มีรูปร่างต้องอาศัยการนึกให้เห็นเห็นด้วยใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นให้จําไว้นี่เป็นอุบายทําใจให้สงบต้องนึกให้เห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสยอย่างนี้จึงจะได้ผลดีคือใครจะฝึกวิธีอื่นก็ได้แต่วิธีนี้ต้องทําอย่างนี้จึงจะได้ผลดี นี่เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตต่อไปอีกประการหนึ่งกำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอารหังสัมมาอารหังท่องทีก็ได้ห่างก็ได้เราพิจารณาดูว่าเราท่องในใจเช่นนั้นแล้วเนี่ยใจเราไม่ซัดใสออกไปภายนอกแปลว่าสามารถจะคุมจิตใจได้ให้สติสัมชัญญะมันอยู่ตรงศูนย์กลางกายตรงศูนย์กลางดวงแก้วนั้น ท่องไปด้วยใจท่องไปตรงกลางของกลางจุดเล็กสายอ่ะนะสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังมีความหมายว่าสัมมานะมาจากคำว่าสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าผู้พระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าส่วนคำว่าอาราหังหมายเอาพระผู้ไกลาจากกิเลสนี่หมายถึงพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า เมื่อเราว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังก็เป็นการน้อมเอาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเรานี่เรียกว่าพุทธานุสติเพราะฉะนั้นกาหนดบริกรรมภาวนาสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังพร้อมด้วยตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจในกลางของกลางจุดเล็กใสเอาไว้ให้นิ่งอย่างน้อยสักหนาทีหรือสิบนาทีเมื่อใจค่อยค่อยมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน จะเห็นดวงใสสว่างปรากฏขึ้นเมื่อเห็นดวงใสสว่างปรากฏขึ้นแล้วให้นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางดวงสว่างนั้นให้ใจหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งเข้าไปให้เห็นดวงใสละเอียดเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าศูนย์กลางจะขยายออกดวงใหม่จะเกิดขึ้นแทนที่ก็หยุดในหยุดกลางของหยุดเข้าไปในกลางของกลางดวงที่ใสละเอียดใสละเอียดสายเอียดเข้าไปจนสุดละเอียด แล้วจะเห็นกายในกายณนะภายในของเราเองกายในกายนั้นเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนเราแต่ขาวใสสวยละเอียดประณีตกว่าหรือไม่ก็เห็นเป็นองค์พระเกีต ด, ดอกบัวตูมขาวใสเห็นแล้วให้นึกดับหยาไปหาละเอียดเป็นกายที่ใสละเอียดนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายให้เห็นใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายใจก็จะสงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงวันนี้ให้ฝึกเอาเท่านี้ก่อน เห็นดวงหยุดนิ่งไปในศูนย์กลางดวงเห็นกายดับยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายใจก็จะสงบระงับเป็นอันดีมีผลดีแก่ชีวิตของท่านจเจริญพร